สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซตูตอนที่เจ็ดสิบสี่นะครับสาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตครับพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หกพระธรรมลูกาบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าในวันสะบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปที่ในานาและพวกศิษย์ของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน บางคนในพวกฟารีสีจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้อีกหรือที่ดาวิดได้กระทำเมื่ออดอยากทั้งท่านและพักพวกได้ด้วยคือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพพักทั้งให้พักพวกด้วยซึ่งกฎหมายห้ามใครรับประทาน เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นเพเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตเห็นไหครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเะเยซูถูกกล่าวหาว่าเลิ่เมิดวันสะบาโตโดยรักษาชายคนหนึ่งนะครับคนที่เป็นอมามาพาตมาสามสิบแปดีนะครับที่นอนอยู่ที่ข้างสะเบ็ดไซดาระเยซูสั่งให้เขายกแคร่เดินไปในวันสะบาโตครับ ชาวยิวนั้นห้ามแบกของนะครับในวันสะบาโตพระกัมพีที่ได้อ่านไปแล้วนะครับได้เล่าถึงวันสะบาโตอีกวันหนึ่งครับซึ่งพระเยซูและสาวกนั้นพากันเดินผ่านทุ่งนานะครับในแถบปาเลสไตนั้นเวลาที่เขาทำนานะครับก็จะมีคันนานะครับเป็นแนวยาวแคบๆนะครับนะมีทางระหว่างแนวยาวแคบๆนี้นะครับซึ่งปลูกข้าวไว้ นะครับปลูกข้าวไว้และแนวนี้ก็เป็นทางเดินเป็นแนวทางเดินนะครับผู้คนก็มักใช้แนวนะครับแนวนี้นะครับซึ่งทั้งข้าวก็เป็นข้าวและมีบทเรีญัยะนะครับว่าคนที่เดินผ่านที่นาของคนอื่นนะครับจะต้องทําไงได้ครับก็สามารถที่จะเอามือเด็ดลวงข้าวมากินได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าห้ามใช้เคี้ยวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้าน นะครับอย่างนั้นไม่ได้ครับพี่น้องครับในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่ยี่บสามข้อที่ยี่บห้าได้กล่าวว่าเมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่านท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านนั้นไม่ได้ทําไมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเด็ดกินนะครับก็เด็ดได้ไม่มากนะครับแต่ถ้าใช้เคียวเกี่ยวนะครับแสดงว่าปรารถนาที่จะเอารัดเอาเปรียบหรือขโมย ข้าวที่ปลูกในปาเลสไตน์นะครับคือข้าวสาลีและข้าวบาเร่นะครับข้าวบาเล่สาวกของพระเยชูหิวครับก็เลยเด็ดรวงข้าวมากินในลูกาบทที่หกข้อที่หนึ่งบันทึกว่าสาวกเด็ดรวงข้าวพยี่กินเป็นการขยี้เอากแกลบนะครับออกเพื่อกินเป็นข้าวครับตามกฎที่พวกยิวหรือมนุษย์ได้ตั้งขึ้นมานะครับและตามขนบธรรมเนียมของประเพณีคนยิวนั้นสาวกถือว่านด้ถือว่านะครับสาวกได้ละเมิดนะครับขนบธรรมเนียม และกดที่มนุษย์ตั้งขึ้นโดยเด็ดมเมล็ดข้าวและขยี้แกลบออกฟอริฉีถือว่าการเด็ดมเมล็ดข้าวออกจากต้นก็คล้ายกับการเก็บเกี่ยวครับการขยี้มเมล็ดข้าวเป็นการนวดนะครับสิทธิของท่านก็ทําการต้องห้ามในมันสะบาโตครับก็คือการขยี้มเมล็ดข้าวกินนะครับผู้นําศาสนาคงต้องวุ่นวายทั้งวันนะครับในการจับนะครับผิดและก็ใส่ข้อหาให้กับพระเยซูและสาวกของพระองค์นะครับ คอยดูนะครับว่าใครเลิะละเมิดวันกฏวันสบาโตบ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขานั้นได้สร้างนะครับรายการงานที่ห้ามทํำนะครับเขาเรียกว่างานต้องห้ามถึงสามสิบแปดอย่างด้วยกันนะครับที่ห้ามทําและก็ยังมีกฎอีกหนึ่งพันห้าร้อยข้อที่จะรักษาวันสบาโตที่น้องครับนี่คือภาระหนักสําหรับคนยิวครับพระเยซูทรงตอบข้อหา ห, าหรือข้อกล่าวหา นะครับโดยยกเรื่องราวจากพ่อมพี่เดิมน่าสนอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่ยีิบเอดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกครับซึ่งพระเยซูได้ยกตัวอย่างดาวิดนะครับพฤติกรรมที่ดาวิดได้กระทําเมื่อพวกเขาหิวพี่น้องครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดาวิดและพรรคพวกนั้นต้องคอยหลบซ่อนตัวจากกษัตริย์ซาอูลครับกษัตริย์ซาอูลนั้นได้อิจฉาดาวิดนะครับและก็ซามูเอลก็ได้เจิมดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ <c oughs> ต่อจากกษัตริย์ซาอูลครับพี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ซาอูลนั้นมีความรู้สึก ว่า i ิน e c u r i t y นะครับก็คือ i ิน e c u ค e คือรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยกระทัสยอูนก็เลยต้องตัดสินใจนะครับล่าตามล่าชีวิตของดาวิดดาวิดกับพวกครับก็ต้องหลบซ่อนตัวและหนีครับดาวิดก็มาถึง <c oughs> ที่แห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ขอโทษครับก็คือภรวิหารนะครับพวกเขานั้น คำว่าพระวิหารตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเต็นท์นับพบนะครับเต็นท์นับพบในสมัยนั้นนะครับเพราะในสมัยของดาวิดนั้นยังไม่มีพระวิหารนะครับเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนเพราะว่ากษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นลูกของดาวิดเป็นคนที่สร้างพระวิหารนะครับแต่ว่าพวกเขานั้นเข้าไปนะครับในเต็นท์นะครับซึ่งเป็นที่ที่ถวายบูชานะครับแล้วก็ขอขนมปังขอขนมปังกินครับ ตรงนั้นเป็นแท่นบูชาครับ <c oughs> จะต้องมีขนมปังหน้าพระพักวางอยู่เป็นขนมปังสิบสองแถวซึ่งซึ่งทําเสร็จในวันศุกร์นะครับก่อนวันสบาโตนั่นเองและขนมปังทั้งสิบสองแถวนี้ต้องทําเสร็จในวันศุกร์ครับเพื่อเตรียมตัวในการนมัสการพระเจ้านะครับในวันสบาโตคือวันเสาร์และปุโรหิตนั้นเขาจะต้องตั้งขนมปังนี้วางไว้บนโต๊ะนะครับโต๊ะวางขนมปังหน้าพระพัก และโต๊ะวางขนมปังหน้าพระพักนี้นะครับก็จะอยู่ในอภิชุดที่สถานนะครับในในวันสมาโตนะฮะในสัปดาห์ต่อไปอุโรหิตจ้องนำขนมปังมาเปลี่ยนใหม่แล้วเอาของเดิมไปรับประทานได้ในวันนั้นเองนะครับขนมปังใหม่สดเพิ่งเปลี่ยนอยู่นะครับและตั้งอยู่หน้าพระพัก หนึ่งเมเวนวันทึกว่าดาวิดและพรกพวกนั้นรับประทานขนมปังไฟห้าก้อนเพื่อไม่ให้อดตายดาวิดก็เชื่อนะครับว่าการสมวนชีวิตของพรกพวกสําคัญยิ่งกว่าการรัก ษ, กษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับขนมปังในพริวิหารพระเยซูก็ทรงยกเรื่องนี้นะครับขึ้นมากล่าวอ้างเนื่องจากพระเยซูทรงทราบดีครับว่าผู้นํายิวนั้นเคารพเทิดทูนดาวิดมากและยนเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งดาวิด น้องครับเมื่อเราเห็นถึงข้อโจมตีหรือข้อกล่าวหาของพวกฟาริสีนะครับพระเยซูตรัสว่าเลยครับพวกปุโรหิต ท, ที่อยู่ในพระวิหารนั้นย่อมละเมิดกฎวันสะบาโตแต่ไม่มีความผิดนะครับพระเยซูทรงทราบดีนะครับและนี่คือคําที่พระเยซูได้โต้แย้งกับพวกเขาในกัณฑานวิถีบทที่28เขาได้สืบ้นกล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูพระเยซูกล่าวถึงสิ่งที่ปุโรหิตต้องทําทุกๆวันสะบาโต เขาต้องเตรียมเครื่องเผาบูชาเครื่องดื่มบูชาเครื่องสัญญาบูชาเครื่องบูชาประจำทุกๆวันรวมทั้งการเชือดและชำระล้างแท่นบูชาเมื่อทําเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับเฟซูทรงพยายามช่วยให้พวกฟาริสีเห็นว่าการที่สาวกของพระองค์เด็ดรวงข้าวนิดหน่อยนั้นอ น, อนุโลมได้ครับโดยยกข้อโต้แย้งมาจากสิ่งที่ดาวิดทรงกระทําการที่พวกเขากินเมล็ดข้าวไม่ได้ลงแรงอะไรเลยครับ ต่างกับงานของปุโรหิตในวันสมาโตอย่างลิบลับพวกฟครสีนั้นก็เอาแต่จดจ่อนะครับที่ บ, บทบัญญัติและคอยดูแลให้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเหมือนตำรวจรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกข้ออย่างเข้มงวดพี่น้องครับพระเยซูได้พูดบางสิ่งบางอย่างครับที่พวกเขายิ่งไม่พอใจครับพระเยซูพูดหรือตรัสในพระธรรมมราระโกบทที่สองข้อยี่สิบเจ็ดและข้อยี่สิบแปดนะครับพระเยซูพูดอย่างนี้ครับ วันสบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์สำหรับวันสบาโต้โปรดฟังกั้นะครับวันสบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์สำหรับวันสบาโต้เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโตด้วยพี่น้องครับพวกฟรีสีคงจะตื่นสนอกมากกับถ้อยคำนี้นะครับคำว่าเป็นเจ้าเป็นนายนะครับภาษากรีกคือค u r i o u s นะครับซึ่งแปลว่านะ ios, วเจ้าของนะฮะ curious ซึ่งแปลว่าเจ้าของเพราะฉะนั้นได้บอกว่าบุตรมนุษย์หมายถึงพระเยซูเองนะครับเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตเท่เากับว่าวันสะบาโตนะครับเป็นของพระเยซูนะครับคริสเตียนก็เชื่อเช่นนี้นครับและกล่าวถึงวันสะบาโตว่าเป็นวันแ ห, ห่งองค์พระผู้เป็นเจา้าเป็นวันของคนเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความหว่บหมายความว่าพระเยซูนั้นกําลังยกตัวเองเทียบเท่าพระเจ้าครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงตั้งวันสะบาโตให้กับ มนุษย์นะครับและพระเจ้าก็สั่งให้คนยิวนะครับรักษาวันสะบาโตเวลานี้พระเยซูมาบอกว่าพระเยซูเป็นเจ้าของวันสะบาโตนั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าทรงยกตัวเองเทียบเท่าพระบิดาซึ่งยิวรับไม่ได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักข้อเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับพระเยซู เป็นพระเจ้าด้วยนะครับพระเยซูไม่ใช่พระบิดานะครับแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระบิดาก็ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือความลึกลับของตรีเอกนุภาพนะครับเพราะว่ายังมีอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระเยซูในขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระบิดานะครับแต่ว่าพระเยซู เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่คือความลี้ลับของคําว่าตรีเอกานุภาพเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราได้เห็นและไขควณนะครับได้ภาวนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความลี้ลับของพระองค์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นเรื่องลีับนะครับพระเยซูพระเจ้าทรงทราบทรงทรงรู้นะครับขณะเดียวกันครับ สิ่งที่เปิดเผยสำแดงนั้นเป็นของพวกเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนะครับให้พวกเรารู้เราก็จะรู้ครับพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงคืออะไรครับพระวจนะของพระเจ้านั่นเองครับคําตรัสนะครับพระวาจาหรือคําตร์หรือคําว่าโลกอสนะครับก็คือสัจธรรมนั่นเองนะครับสัจธรรมเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าสำแดงให้กับเราซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ครับและพระวาทะนั้นก็คือ การสำแดงของพระเจ้านะครับผ่านทางชีวิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นชีวิตของพระเยซูนั้นเป็นโลโกสนะครับหรือเป็นพระวจนะหรือเป็นเดอะเวิร์ดนะครับที่ล้วงไหลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อฟังและรับไว้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน